ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิริยพินปิประชาก็ชื่นชมยินดีสาธุการแก่พระหน้าเกษรผู้ปรีชาญาณในการบัดนี้สันทวะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเพียงนี้